ปฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอตอนเดินบนพื้นโลกเป็นเรื่องปาฏิหารและตามลมหายใจคือวิถีทางแห่งสติสตีฟเล่าว่าตั้งแต่เริ่มพิจารณาว่าเวลาที่ให้กับโทนี่และแอนนั้น เป็นเวลาของเขาเองแล้วเขาก็มีเวลาของตัวเองอย่างไม่มีขีดจำกัดแต่บางทีอาจจะเป็นเพียงหลักการเท่านั้นก็ได้เพราะคงมีเวลานับครั้งไม่ถ้วนที่เขาอาจลืมไปโดยลืมคิดว่าเวลาที่เขาอยู่ทำการบ้านกับโทนี่นั้นเป็นเวลาของเขาเอง คงมีบางครั้งที่เขารู้สึกอยากให้เวลามันผ่านไปเร็วๆเพราะดูมันเป็นการเสียเวลาสำหรับเขาถ้าเวลานั้นไม่ใช่เวลาของเขาเองดังนั้นถ้าเขาต้องการเวลาของตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดจริงๆเขาต้องคิดตลอดเวลาว่านี่เป็นเวลาของฉันในขณะที่อยู่กับโทนี่แต่ในช่วงเวลานั้นๆนเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากจิตใจของเราจะวอกแวกด้วยความคิดอันอื่นดังนั้นหากใครต้องการจะให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาแล้วก็ผู้นั้นก็ต้องเริ่มฝึกในช่วงเวลาที่จัดไวสาหรับฝึกสมาธิเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานของเราเดินเข้าหมู่บ้านไปตามถนนฝุ่นแดงเขาก็สามารถฝึกสติได้ ขณะที่กําลังเดินไปตามทางฝุ่นมีหญ้าเขียวขึ้นเป็นหย่อมๆสองข้างทางถ้าจะฝึกสติเขาจะต้องรู้ตัวว่าเขากําลังเดินอยู่บนถนนถนนนั้นมุ่งไปสู่หมู่บ้านจะฝึกสติได้โดยการนึกอยู่ในใจตลอดเวลาว่าฉันกําลังเดินไปตามทางเข้าหมู่บ้านไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออก ทางจะเปียกหรือจะแห้งก็ให้นึกอย่างนั้นตลอดเวลาแต่ต้องไม่ใช่การคิดแบบเครื่องจักซ้ำซ้ำซากๆ ก, การคิดแบบเครื่องจักนั้นตรงข้ามกับการมีสติคนบางคนท่องบนชื่อของพระพุทธเจ้าดุดเครื่องจักรแต่จิตใจนั้นฟุง้งซ่านไปหลายทิศทางครูคิดว่าการท่องชื่อของพระพุทธเจ้าเช่นนั้น แย่ยิ่งกว่าการไม่ท้องบนเลยเสียอีกหากเราฝึกการเจริญสติจริงๆในขณะที่เดินไปตามทางเข้าหมู่บ้านเราจะรู้สึกว่าการก้าวเท้าออกไปแต่ละก้าวนั้นเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งและจิตของเราจะเบิกบานเหมือนดอกไม้นาเราเก้าวเข้าสู่โลกของความเป็นจริง ครูชอบเดินไปคนเดียวตามทางเท้าในชนบทมีต้นข้าวต้นหญ้าเขียวขจีสองข้างทางค่อยๆวางเท้าลงไปทีละก้าวทีละก้าวอย่างมีสติรู้ตัวว่ากำลังก้าวไปบนแดนมหัศจรรย์ในช่วงขณะจิตเช่นนั้นการดำรงอยู่ของชีวิตเป็นความจริงที่ลึกลับปาฏิหาริย์คนเรามักจะคิดว่า การเดินบนน้ำหรือบนอากาศเป็นเรื่องปาฏิหาริย์แต่ครูว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่การเดินบนน้ำบนอากาศหรอกหากแต่การเดินบนพื้นโลกนี่แหละเราอยู่กับความอัศจรรย์ทุกๆวันแต่เราไม่ตระหนักเองขวงเธอลองคิดดูท้องฟ้าสีคราม หมู่เมฆสีขาวใบไม้สีเขียวและสีดําของดวงตาที่อยากรู้อยากเห็นคู่นั้นของลูกสาวของเธอดวงตาของเธอเองด้วยก็เป็นสิ่งอัศจรรย์เช่นเดียวกันกับท้องฟ้าหมู่เมฆใบไม้หลักสีและดวงตาของหนูน้อยคู่นั้นท่านอาจารย์เคยแนะไว้ว่าเวลาจะนั่งสมาธิ ให้นั่งตัวตรงและนึกขึ้นในใจว่านั่งตรงนี้เหมือนนั่งบนโพธิอาจโพธิอาจคือที่นั่งของพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ถ้าใครๆก็เป็นพุทธะได้และพุทธะนั้นไม่อาจนับได้นั่นหมายความว่าผู้บรรลุผู้เป็นพุทธะได้นั่งตรงที่ฉันนั่งมาแล้ว การนั่งตรงที่เดียวกับพุท ธ, ธะผู้นำมาซึ่งความสุขและการนั่งในภาวะแห่งสติในตัวเองก็แปลว่าได้กลายเป็นพุท ธ, ธะแล้วไม่มีผู้ปฏิบัติงานของเราคนไหนจะมีเวลาอย่างฟุ่มเฟือยที่จะเดินเล่นไปตามทางที่เขียวขจีไปด้วยยากาและนั่งสงบอยู่ภายใต้ร่มเงาของแมกไม้ ผู้ปฏิบัติงานต้องเตรียมโครงงานต้องปรึกษาหารือ ก, กับชาวบ้านต้องพยายามแก้ไขอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นต้องทำงานตามทุ่งนาและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากทุกชนิดในช่วงเวลาเช่นนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่งานเขาต้องตื่นตัวอยู่เสมอพร้อมจ ะ, ะเผชิญกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น อย่างสามารถและมีไหวพริบเธออาจจะถามครูว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทำอย่างไรผู้ปฏิบัติงานของเราจึงจะเจริญสติได้คำตอบของครูก็คือการพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่งานการตื่นตัวและพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างสามารถและมีไหวพริบ นี่แหละคือความมีสติโดยแท้ไม่มีเหตุผลใดที่การมีสติจะต่างไปจากพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่งานของตนตื่นตัวอยู่เสมอและพร้อมจะตัดสินใจอย่างดีที่สุดในขณะของการปรึกษาหารือการแก้ปัญหาและการจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีหัวใจที่สงบ และควบคุมตัวเองได้อย่างดีการงานนั้นๆจึงจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนคงตระหนักในข้อนี้ดีถ้าเราอยู่ในภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ปล่อยให้ความไม่อดกลั้นและโทสะเข้าครอบงำงานของเราก็จะหมดความหมายไร้คุณค่าทันทีการมีสติ เป็นสิ่งอัศจรรย์ตรงที่ช่วยให้เราเป็นนายของตนเองและรักษาใจตนเองอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์ลองคิดเปรียบอย่างนี้นักมายากลผู้หนึ่งตัดส่วนต่างๆของร่างกายออกเป็นชิ้นๆและวางเอาไว้คนละทิศคนละทางเอามือไปไว้ทิศใต้เอาแขนไว้ทิศตะวันออกเอาขาไปไว้ทิศเหนือ ได้ด้วยอิทธิปาจิหารพอร้องเพียงเดียวส่วนต่างๆของร่างกายก็รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวสู่สภาพปกติสติก็อุปมายอย่างนั้นมันมีปาจิหารตรงที่สามารถเรียกจิตใจที่พุ่งไปร้อยแปทิศกลับมาและถนอมรวมเข้าเป็นหนึ่ง เพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ในทุกขณะจิตของชีวิตดังกล่าวมาแล้วนี้สติจึงเป็นทั้งมัคและผลในเวลาเดียวกันเมื่อเวลาเราฝึกสติเพื่อให้ได้สมาธินั้นสติก็เป็นมัคแต่ตัวสติเองก็เป็นหัวใจของความตื่นความเบิกบานสติจึงเป็นผลด้วยการมีสติก็คือการมีชีวิต สติช่วยให้เราปลอดจากความขี้หลงขี่ลืมและความคิดฟุ้งซ่านต่างๆสติช่วยให้การมีชีวิตทุกขณะจิตเป็นไปได้สติทำให้เรามีชีวิตผู้ปฏิบัติงานของเราควรรู้จักวิธีหายใจเพื่อเข้าถึงภาวะที่มีสติสมบูรณ์เพราะการหายใจนั้นเป็นเครื่องมือตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการป้องกันความคิดฟุ้งซ่านลมหายใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชีวิตและจิตสำนึกทำให้ร่างกายและความคิดเป็นเอกภาพกันหากเกิดความคิดฟุ้งกระจายไปผู้ปฏิบัติงานควรใช้ลมหายใจในการรวมจิตเข้ามาอีกครั้งหนึ่งลองดูซิควงหายใจเข้าลึกๆอย่างแผ่วเบา รู้ตัวทั่วพร้อมว่าเธอกำลังหายใจเข้าแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกจากบอดให้หมดโดยรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาที่หายใจออกในมหาสติปัฏฐานสูตรได้สอนวิธีตามลมหายใจไว้อย่างนี้เธอผู้มีสตินั่นเทียวหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่า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 เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั Clone, ้งปวงจากหายใจออกเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าเธอย่อมฝึกตนเองว่าเราทำกายสังขารให้อำรำงับอยู่จากหายใจออกเราทำกายสังขารให้อำรำงับอยู่จากหายใจเข้าที่วัดชาวพุทธ ทุกคนจะได้เรียนรู้วิธีใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการระงับความคิดฟุ้งซ่านที่กระจัดกระจายและสร้างพลังสมาธิพลังสมาธินั้นเป็นกำลังที่ได้มาจากการฝึกสติสมาธินี้เป็นตัวช่วยให้เราตื่นอย่างยิ่งในการมีสติก็เป็นการตื่นอย่างหนึ่งเหมือนกัน หากผู้ปฏิบัติงานของเราเป็นผู้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเขาก็อยู่ในสภาวะผู้ตื่นเช่นเดียวกันและหากเราต้องการดำรงสติให้อยู่กับเราเสมอไปเราต้องเฝ้าตามลมหายใจของเราอยู่เป็นนิดตอนนี้ที่นี่เป็นรดูใบไม้ร่วงการร่วงของใบไม้สีทองทีละใบทีละใบนั้นสวยงามนัก ครูรู้สึกจิตใจมั่นคงและแจ่มใสขึ้นมากเมื่อได้เดินเล่นตามลมหายใจและดำรงสติสักสิบนาทีไปตามทางเดินในป่าระเมาะครูมีความรู้สึกว่าแต้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใบไม้แต่ละใบที่ร่วงหล่นลงมาพวงการเดินทางในชนบทนั้นช่วยให้ดำรงสติได้ง่ายขึ้น และถ้ามีเพื่อนเดินไปด้วยกันแต่ไม่พูดจากกันต่างคนต่างตามลมหายใจของตนเองการดำรงสติก็ไม่ใช่เรื่องยากเกย็นอะไรแต่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยหากเพื่อนที่เดินไปกับเธอซักถามพูดคุยกับเธอถ้าเธอนึกในใจว่าฉันอยากให้เพื่อนคนนี้หยุดถามเสียทีฉันจะได้มีสมาธิ นั่นแปลว่าสติขาดช่วงไปแล้วแต่ถ้าเธอนึกในใจอย่างนี้แทนได้ว่าถ้าเขาปรารถนาจะถามฉันก็จะตอบแต่ฉันก็จะดำรงสติไว้ด้วยการรู้ตัวทั่วพร้อมในคำถามของเขาและในคำตอบของฉันฉันสามารถตามลมหายใจของฉันได้ด้วยถ้าเธอนึกอย่างนี้ได้แล้วก็ เธอก็ดำรงสติอยู่ได้ไม่ขาดช่วงแต่ยากกว่าการเดินคนเดียวมีเนื้อเพลงพื้นบ้านตอนหนึ่งว่าไว้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นยากที่สุดก็คือที่บ้านรองลงมาก็คือถ้ำกลางฝูงชนและง่ายที่สุดก็คือที่วัดในสถานการณ์ที่คึกคักตื่นเต้นเท่านั้น ที่จะเป็นสิ่งที่ท้าทายสติจริงๆ